ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวนยะสังคะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการัจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาสิบสองครุกาปฏิอุท ธ, ธานาวินิชยากกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัด ต, ต่อ ก็จบเรื่องของกรรมวาจารปริวา่าทั้งสามอย่างก็คือปริวาสที่มีการปกปิดไว้ปฏิชนะปริวาสแล้วก็สมุทานปริวาสแล้วก็สุทันตะปริวาสอาบัติที่ปกปิดไว้ได้อยู่ปริวาสก็เรียกว่าปฏิชนะปริวาส แล้วก็สุทันตปาลิกวาหมายถึงว่านางเลสงสัยหรือว่าไม่รู้ว่าปกปิดเอาไว้นานเท่าไรแต่เป็นสองอย่างก็คือมหาสุทันตะกับจุวลสุทันตะแล้วก็อันที่ 3, สามสมุทานปริกวากซึ่งสมุทานปริกวา ก, ก็มีสามอย่างก็คือโอทานะสมโุทานแล้วก็อับค้างสมโุทานแล้วก็ m an. มิสกันสมโุทานนี่ก็จบเรื่องของ การให้กับโวจาทั้งตนวา่ามานะแล้วก็อภานต่อไปถ้าพิกูุน์บางรูปลาสิกขาในขณะประพฤติปริวาทหรือเป็นสนัมบเดนปริวาติของผู้ที่ศึกแล้วและเป็นสนัมบเดนใช้ไม่ได้ก็คือต้องเลิกไปขณะที่ประพฤติปริวาติกาลังอยู่ปริวาติอยู่แล้วก็ลาสิกขาไปหรือว่าเป็นสามเดนไปหรือว่าที่อยู่แล้วอยู่แล้วก็ใช้ไม่ได้ การเธออุปสมบทใหม่การให้ปริวาเดิมนั่นแหละแต่เธอปริวาที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วปริวาใดที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วเพิ่งอยู่ปริวาที่เหลือต่อไปเช่นต้องอบัตสังฆาพิเศษปกปิดเอาไว้เดือนหนึ่งแล้วก็อยู่ปริวาตไปได้ครึ่งเดือนเท่านั้นเองลาสิกขาหรือว่าไปเป็นสามเณรเสียแต่ตอนหลังก็เกิดศรัทธามาบวชใหม่ ปริวาติที่ให้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่อยู่ปฏิวาติไปแล้วสิบห้าวันเหลืออีกสิบห้าวันต้องอยู่ต่อเมื่ออยู่ต่อเรียบร้อยแล้วถึงจะขอมานัดได้แล้วก็อานแม้ถ้าเป็นผู้ควรแก่มานัดประพฤติมานัดอยู่เป็นผู้ควรแก่อภานแล้วก็ลาสิกขาไปหรือไปเป็นสัมเูรจ์ทางเจออุปสมบทใหม่ให้ปฏิวาติเดิมนั่นแหละแกเธอปฏิวาติที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วมานัดที่ให้แล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วที่ประพฤติแล้วก็เป็นอันประพฤติดีแล้วพึงให้อภานทิกตุนั้นถ้าทิกตุบางรูปกำลังประพฤติปริวาสอยู่เกิดเป็นผู้วิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะเวทนาปริวาสของพิ่สุผู้วิกลจริตผู้มีจิตฟุ้งซ่านและผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาใช้ไม่ได้ หากเธอหายวิจริตหายจิตฟุง้งซ่านหายกระสับกระสา่ายเพราะเวทนาแล้วการให้ปรวิวาสเดิมนั่นแหละแก่เธอปริวาทที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วเพิ่งอยู่ปรวิวาสที่เหลือต่อไปแม้ในภิกษุผู้ควรแก่มานัดหรือว่าผู้กำลังประพฤติมานัดผู้ควรแก่อภานเป็นต้นนี้ก็เหมือนกันถ้าภิกษุบางรูปกาลังประพฤติปริวาสอยู่ถูกสมยกวัด ปริวัติของพิกษุผู้ถูกสรงยกวัด น, นั้นใช้ไม่ได้หากเธอถูกเรียกเข้าบูฮอีกการให้ปริวัตเดิมนั่นแหละแต่เธอปริวัตที่ให้แล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วพึงอยู่ปริวัตที่เหลือต่อไปแม้ในพิกษุผู้ควรแก่้บนั้นเป็นต้นก็มีในนี้นั่นแหลถ้าเพศหญิงปรากฏแก่พิกูุบางรูปพิกูุนั้นพึงถืออุปัชาอุปสมบทเดิมนั่นแหละ ก็คืออุปชาเดิมก็อย่างเป็นอุปชาอุปสมบทเดิมก็เป็นอุปสมบท ด, ดีแล้วไม่พึงให้ถืออุปชาใหม่และไม่พึงให้อุปสมบทใหม่นับปัญญาเดิมนั่นแหละตั้งแต่อุปสมบทเป็นพิกูุนั้นมาไม่ต้องทําการนับปัญษาตั้งแต่เพศกลับนี้ไปใหม่แบบ น, นี้พิษุดีนั้นไม่สมควรที่จะอยู่ในท่ามกลางพิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงนอนไปยังสำนักพิกษุดีแล้ว อยู่ร่วมกับนางพิคตูดีเถิดอาบัตเหล่าใดของพิกษุทั้งหลายเป็นเทศนาคาบิดีก็ตามเป็นวุฒ า, า, านาคาบิดีก็ตามที่ทั่วไปด้วยดางพิกษุดีทั้งหลายพึงทําวิเนกรรมซึ่งเหล่าดางพิกษูดีพึงทําเพื่อออกจากอาบัตเหล่านั้นด้สํานักของดางพิกษูดีทั้งหลายส่วนอาบัตเหล่าใดยมีตุกามวิสัทธิก็คือปล่อยนอบ WOW อสุจิเป็นต้นของพวกพิกษุซึ่งไม่ทั่วไปด้วยดางพิกษูดีทั้งหลาย ไม่เป็นอบัต ด, ด้วยอบัตเหล่านั้นคืออบัตเหล่านั้นเป็นอันเธอออกแล้วแลเพราะเพศกลับถ้าเพศกลับต้องอบัตสุกาวิสัทธิเป็นพิกจุต้ออบัตสุกาวิสัทธิปกปิดเอาไว้ที่วันก็แล้วแต่ขณะที่อยู่บริวารอยู่แล้วก็เพศกลับจะเป็นพิจษุดีเป็นผู้หญิงก็เป็นอันเลิกอยู่บริวารไปเลยเพราะว่าสุกาวิสัทธินี้ไม่สาธารณะทั่วไปกับพิจตุดีก็ถือว่าบริสุทธิ์ไป แต่ถ้าเกิดเป็นอาบัตสำคัญพิเสษที่ทั่วไปก็คือเป็นอาบัตเหมือนกันเช่นไปชักสื่อเป็นหัวมียการถือว่าไปโจดพิจารณาได้บัตรประราชิกไม่มีบุญอาเมจโจดพอดีเหมือนกันก็ให้อยู่ต่อไปอาจจะต้องกองพิสดีนี่ไม่มีอยู่ปริว่ามีปักขบวรรัฐอยู่มารรัฐกึ่งเดือนไม่มีการอยู่ปริว่าจะปิดไว้หรือไม่ปิดก็แล้วแต่ก็อยู่ปักขบวรรัฐ แล้วก็อภานเลยถึงเมื่อเพศเดิมกลับเกิดขึ้นอีกคงเป็นอาณาบัตแก่เธอด้วยอบัตเหล่านั้นเหมือนกันก็คือพออยู่ปฏิวัติไปแล้วเพราะว่าสุกวิสัทธิเป็นพิสูจนกลับไปเป็นเพศผู้หญิงก็เป็นอันพ้นไปเลยแม้กลับมาเป็นพิสูจอีกก็ไม่ต้องมาอยู่ปฏิวัตแล้วแม้ในเพศบุรษุษปรากฏการณ์พิสดีก็ในนี้แหลสมจริงตามพระ ด, ดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ก็โดยสมัยนั้นแหลเพศหญิงปรากฏแก่พิสดูร่วมหึงพิกษุทั้งหลายกราบทูลเริ่องนันแหนพระผู้มิพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปชาเดิมนั่นแหละอุปสมบทเดิมนั่นแหละพรรษาก็เหล่านั้นและให้อยู่ร่วมกับพิกษุดีทั้งหลายอาบัตเหล่าใดของพิสดูทั้งหลายที่ทั่วไปกราบพิกษุดีก็คืออาบัตที่ เป็นทางพิษุและพิสดีที่ทั่วไปแก่พิษณีทั้งหลายเราอนุญาตให้ออกจากอาบัตเหล่านั้นในสับดักพิุดีทั้งหลายอาบัตเหล่าใดของพิษดีทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปตับพิกุณีทั้งหลายไม่ต้องอาบัตเพราะอาบัตเหล่านั้นก็โดยสมัยนั้นแลเพศชายปรากฏแต่นามพิษณีรูปหนึ่งพิษุทั้งหลายกราบทุนเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระพาเจ้า พระผู้บีบพระภาเจ้าตรัสว่าดูก่อนทิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตอุปชาเดิมนั่นแหละอุปสมบทเดิมนั่นแหละพรนศาเพราะเหล่านั้นแหละให้อยู่ร่วมกับทิกษุทั้งหลายอาบัตเหล่านายของที่สตีทั้งหลายที่ทั่วไปกับทิกจุทั้งหลายเราอนุญาตให้ออกอาบัตเหล่านั้นในสํานักของทิกษุทั้งหลายอาบัตเหล่าใดของที่สตีทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปกับทิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัติเพราะอาบัตเหล่านั้นก็เป็นอันพน้นไปเลย ส่วนวิเครายในเรื่องการเปลี่ยนเพศอันพ้นลำดับแห่งพระบาลีมีดังต่อไปนี้เริ่มแรกในสองเพศนี้เพศชายเป็นอุดมเพศเป็นเพศที่เลิศ ก, กว่าเพศหญิงเป็นฮีนเพศเป็นเพศที่ต่ำกว่าเพราะเหตุ น, นั้นเพศชายจึงชื่อว่าอันตรธานไปเพราะอังกุศลมีกำลังรุนแรงเพศหญิงปรากฏขึ้นแทนเพราะอุศลมีกาลังเเาลงเพ ล, ลงเนะ ส่วนเพศหญิงจากอันตรทานไปชื่อว่าอันตรทานไปเพราะอกุศลที่มีกำลังพลาลงเพศชายปรากฏขึ้นแทนเพราะกุศลมีกำลังรุนแรงเพศทั้งสองอันตรทานไปเพราะอกุศลกลับได้คืนเพราะกุศลด้วยประการชนี้บรรดาเพศหญิงและเพศชายนั้นถ้าทิศตุวองรูปทำการสาธยายหรือสนทนาธรรมด้วยกันจำวัดหลับไปในเรือนหลังเดียวกัน เพศหญิงปรากฏแจกพิสุร่วมหนึ่งเป็นอาบัตเพราะนอนร่วมกันแม้แก่เธอทั้งสองก็คือนอนร่วมกับม า, าตุคาเนเองภิกสุก็ต้องอาบัตนอนร่วมกับมาุคาภิสุรีก็ต้องอาบัตเพราะนอนร่วมกับบุรุษถ้าพิสุผู้มีเพศกลับนั้นตื่นขึ้นเห็นประการแตกนั้นของตอนแล้วมีความทุกข์เสียใจพึงบอกแก่พิสุนอกนี้ในกลางคืนทีเดียว เธอจงเป็นผู้อธิษฐา น, นควรปรอบว่าอย่าเสียใจไปเลยนี้เป็นโทษของวัฏะตังหาไม่ใช่โทษของใครเลยนะโทษของวัฏเพราะว่ามีวัตฏะนั่นเองเพราะฉะนั้นกลัวจะทําให้วัตฏะนั้นสั้นลงโดยการอบรมไตรสิก ข, ขาหรือว่าอริยามรรคปยองแปดพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทานช่องทางไว้แล้วว่าจะเป็นพิจุหรือพิกษุณีก็ตามทีทำอัธรรมดาไม่ได้กับจัดก็คือสามารถบรรลุมรรคผลได้ ทางสวรรค์อันธรมดาไม่ได้เฮิรก็แลครั้นตอบแล้วควรกล่าวอย่างนี้ว่าสมควรท่านจะไปยังสํานักนางพิจุณีพิจุณีบางรูปซึ่งเป็นเพื่อนเคยเห็นกันของท่านมีอยู่หรือก็ถามน้ว่ารู้จักพิจุณีรูปใหนบ้างหรือเปล่าถ้าเธอมีเหล่าพิจุณีเช่นนั้นพึงบอกว่ามีถ้าไม่พึงมีบอกว่าไม่มีแล้วพึงบอกพิกจุนั้นว่าท่านโปรดสงเคราะห์ข้าพเจ้าเถิด จงนำข้าพเจ้าไปยังสํานักนางพิกษุดีเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าจากพิคตูไกลเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียกว่าเป็นพิคตูดีจะมาอยู่ในสํานักของพิกตูนั้นไม่ได้ไม่ควรพิคตูนั้นพึงพาเธอไปอยังสํานักของนอนพิกษูดีทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเคยเห็นกันของเธอหรือเป็นเพื่อนเคยเห็นกันของตนก็ได้เมื่อจะไปไม่ควรไปรูปเดียวควรถือเอาตะเกียงและไม้เท้าไม่ต้องตระเตรียมสิ่งใดอีก ไปร่วมกับภิกษุสี่ถึงห้ารูปด้วยพูดว่าพวกเราจะไปยังสถานที่ชื่อนู้นก็คือไปสำนักภิกษุณีถ้าภายนอกบ้านมีวัดอยู่ไกลก็ไม่เป็นอบัตในระหว่างทางเพราะคามันตราบัตก็คืออบัตเพราะเดินทางข้ามระยะบ้านหนึ่งคนเดียวสำหรับนางภิกษณีภิกษณีนี่จะเข้าไปในระแวกบ้านโดยเว้นจากเพื่อนไม่ได้ หรือว่านาทีปาราบัต์อาบัตเพราะไปตูฟังได้น้ำคนเดียวพิคตูดีนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอาบัตสังฆานิเศสนอบัตหนักเลยนะแล้วก็รติวิปวาสาบัต์อาบัตเพราะอยู่ปราศจากเพื่อนในตอนกลางคืนคนเดียวก็คือไม่มีพิคตูดีอยู่ร่วมด้วยและคณะโอหิยนาบัตก็คืออาบัตเพราะละคณะอยู่รูปเดียวต่อบารสงน์นิเศษเลยก็ไม่ต้องอาบัตเหล่านี้เพราะว่าเพศกลับ ครั้นไปถึงสํานักของนายพิกจตีแล้วพึงกล่าวกับดอยภิจตีเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายรู้จักพิกจุชื่อนวลหรือพิกษุตีทั้งหลายก็จะตอบว่าเจ้าข้ารู้จักพิกษุเหล่านั้นพึงกล่าวว่าเพศหญิงปรากฏแก่พิจุนอนบัดนี้ขอพวกเธอทั้งหลายจงทําการสงเคราะห์แก่พิกจตีรูปนี้เถิดถ้าพิกษุตีเหล่านั้นกล่าวว่าดีละพระกุเจ้าบัดนี้แม้พวกดิฉันก็จัดสาธยายจักสดับธรรม ขอพระกุศเจ้าทั้งหลายจบไปเถิดก็จะไปฟังธรรมสาธยายด้วยกันดังนี้แล้วทำการสงเคราะห์และให้ร่าเริงยินดีทั้งเป็นลัทธิดีผู้มีความสงเคราะห์ด้วยก็คือเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาบเหมือนกันเธอไม่ควรละทิ้งนาริปตุดีเหล่านั้นไปในสถานที่อื่นถ้าไปก็ไม่พ้นจากคารันตราบัดก็คือเข้าไปในละแวก บ, บ้าน คนเดียวแล้วก็นาทีปาราบัตไปสู่ฝั่งแมน่น้ำรติวิปวาสาบัตก็คืออยู่ปราจากเพื่อในราตรีแล้วก็คณะโอฮิยนาบัตก็คือละจากบูพิกสดีไปอันหนึ่งถ้าดางพิกสดีเหล่านั้นเป็นลัทธิดีแต่ไม่มีความสงเคราะห์ย่อมได้เพื่อจะไปในสถานที่อื่นก็คือไม่อนุเคราะห์ได้มีน้ำใจนะก็ให้หลีกไปได้แม้ถ้าเป็นอัลลัทธิดีทั้งหมดวัดก็คือเป็นผู้ที่ไม่ละอายต่อบาบเลย แต่ทําความสงเคราะห์ก็ย่อมได้เพื่อจะลัทิ้งไปอยู่กับอลรัตชีดีก็คือพวกอลัตชีทั้งหลายพิจตุก็เรียกว่าอารัตชีถ้าพิกษุดีไม่มีความละอายก็เรียกว่าอลัตชีดีก็ลงอิทธิภัตใจในอิทธิริมแม้นำพิกษุีเหล่านั้นไปในที่อื่นอาจารย์บาพวกกล่าวว่าถ้าเป็นทั้งอรัตชีดีทั้งมีความสงเคราะห์ด้วยแต่ไม่เป็นยากและในบ้านใกล้ ทฤษฎีเหล่าอื่นที่เป็นญากมีอยู่ทั้งแต่ผู้ประคับประคองควรไปยังสำนักของทกษฎีเหล่านั้นครั้งไปแล้วถ้าตนปฏิบัตินิสัยคือยังถือนิสัยอยู่แม้ในคราวเป็นทิกษุก็ควรถือนิสัยในสำนักของนายทฤษฎีผู้สมควรบาสิการก็ดีวินัยก็ดีที่เรียนมาแล้วก็เป็นอันเรียนแล้วด้วยดีไม่มีเหตุที่จะต้องเรียนซ้ำอีกแต่ถ้าจะเรียนซ้ำอีกก็ไม่หามไม่ผิดไม่มีอาบัตอะไร ถ้าในคราวยังเป็นพิสูุพิกษุรูปนั้นแต่ผู้ปกครองบริษัทธ์กุลบุตรทั้งหลายผู้อุปสมบทแล้วในสํานักของพิสูุรูปนั้นนั่นแหลก็เป็นอันอุปสมบทชอบแล้วแต่ต้องถือนิสัยในสํานักของอาจารย์รูปอื่นเพราะว่าอุปชาก็เป็นอันขาดนิสัยของอุปชาก็ขาดคือนิสัยจะเป็นอันเทวศิษย์หรือว่าสัตยุหะริกผู้ถือนิสัยก็ขาดหมดถ้าเพศกลับ แม้พวกอันเตวสิ์ผู้อาศัยเธอนอนอยู่ในการานกรก็ต้องถือนิสัยในสำนักของอาจารย์รูปอื่นถึงแม้สมเด็นผู้มีอายุเต็มบริบูรณ์ก็ต้องถืออุปชาในสำนักของพิสูรรูปอื่นก็เป็นอนุสัยขาดอันหนึ่งไตรจีวอรและบาที่ทิฏฐนั้นอนธิฐานไว้แล้วในคราวยังเป็นทิฏฐ์ย่อมขาดอธิฐานไปต้องอธิฐานใหม่ ที่ตุดีควรถือเอาผ้ารับฐันต้องไปเพิ่มผ้ารัดออกมาอีกผืนหนึ่งและผ้าอาบนอนอันจจะเด็กีวรก็ดีอัจจะเด็บาศก็ดีที่พิจิตนั้นทำวินัยกรรเก็บไว้แล้วแม้ทั้งหมดย่อมละวินัยกรรมไปต้องทำใหม่พวกกีวิตกลับไว้พวกอดิธานไว้ทั้งหมดก็ต้องทำใหม่หมดเลยแม้เศษตัดมีน้ำบันน้ำผึ้งและด้ำอ้อยที่เธอรับประเทนไว้เป็นต้นย่อมขาดกระเทนไปเหมือนกัน เก็ไว้ได้เจ็ดวันพวกเพศตับต่างๆแต่ว่าพอเพศกลับเป็นอันขาดประเพณหมดเลยต้องรับประเพณใหม่ถ้าเพศเปลี่ยนกลับในวันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่รับประเพณไปรับประเพณใหม่ควรฉันได้เจ็ดวันต้องรับประเพณใหม่นะถ้าเพศกลับในวันที่เจ็ดส่วนสิ่งใดเป็นของพิจุรูปอื่นเธอรับประเพณไว้ในเวลาเป็นพิตุ สิ่ง น, นั้นไม่ขาดประเคนอ่าเป็นความแตกต่างกันตรงนี้ว่าถ้าเป็นการรับประเคนเพื่อตอนเองท่าเพศกับขาดประเคนทันทีแต่ถ้าเกิดรับประเคนเพื่อพิจูอื่นเป็นของพิกษุอื่นไปแล้วถวายพระพิกจุอื่นไปเพศตนเองกลับเป็นพิกสดีของนั้นก็ไม่ขาดประเคนเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองเป็นของพิจุรูปอื่นไปแล้วจะขาดประเคนเฉพาะของตัวเองเท่านั้น แม้สิ่งใดที่เป็นของทั่วไปแก่พิสูจนสองรูปยังไม่ได้แบ่งกันก็คือยังไม่ได้แบ่งปันกันเก็บไว้ปกติต่าพิสูุ์ย่อมรักษาสิ่งนั้นไว้ก็คือพิสูจที่เทียไม่ได้กับก็ยังรักษาสิ่งนั้นไม่เป็นอันขาดประเคนถ้าของยังไม่ได้แบ่งกันส่วนสิ่งใดได้แบ่งกันแล้วเป็นของเธอเองสิ่งนั้นย่อมขาดประเคนไปจึงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำนี้ไว้ในคมภีปริวาระในพระวิทยปีดกว่า ทิศตูดรับประเค้นน้ำมันน้ำผึ้งน้าอ้อยหรือเนอยใสเองแล้วเก็บไว้เองเมื่อยังไม่ล่วงเจดวันเป็นอบัตแก่เธอผู้ฉันเพราะมีปัจจัยก็คือไม่ได้ฉันเพราะไม่มีปัจจัยด้วยนะมีปัจจัยเหมือนกันก็คือป่วยแต่ว่าฉันก็ไปแล้วปัญหานี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วก็คือต้องอบัตก็ได้แก่เป็นทิกษุดีก็คือเพศกระป๋าเป็นทิกษุดีแล้วก็ฉันก็ไปก็คือมันขานประเค้แล้วฉันก็ไปก็ต้องอบัต เราบรรทุกกฎ น, นะจึงอยู่พระบุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหมายเอาเพศกลับขึ้นชื่อว่าการรับประเคยย่อมขาดไปการรับประเคยที่ขาดด้วยเหตุเจ็ดข้อนะก็คือเพราะเพศกลับอย่างหนึ่งข้อที่สองเพระมรณะเพียบข้อที่สามเพราะนางสิขาข้อที่สี่เพราะหันไปเป็นคนเลวก็คือ ไปเข้ารีบเดียนาถีข้อที่ห้าเพราะให้แก่อนุสัมพันไปข้อที่หกเพราะไม่เสียดายสละเสียมข้อที่เจ็ดเพราะถูกชิงเอาไปอันนี้ก็เป็นการขาดประเคนเะจ็ดข้อเพศกลับบรณะภาพนาสิขาเข้าไรีดเดยนาถีให้อุสัมพัน์ไม่เสียดายสละเทียแล้วก็ถูกโจนชิงเอาไปเพราะฉะนั้นแม้ถ้ามีสิ่งของที่เราประเคนเก็บไว้ จะเป็นชิ้นสมองก็ตามสิ่งทั้งหมดของเธอย่อมขานประเพณไปอันหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของนามพิจุณีนั้นเธอรับประเพณหรือยังไม่ได้รับประเพณก็ตามซึ่งเก็บไว้ในวิหารของพิกจุพิกจุณีรูปนั้นแหลเป็นเจ้าของสิ่งของนั้นทั้งหมดควรให้เธอขนเอาไปเสียก็คือสมบัติของพิกษุที่เพศกลับจะเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ในกุฏิของ์นตนเองกุฏิของเพื่อนก็แล้วแต่พอเพศกลับเป็นภิกจุณี สมบัติของพิกษุดีนั้นที่เพศกลับเนี่ยนะยังคงเป็นของเธอก็ต้องเป็นคนเอาไปส่วนสิ่งใดเป็นของถาวรซึ่งเป็นของส่วนตัวของเธอในวิหารของพิกษุนี้จะเป็นเสนาสนะหรือว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตามเธอปรารถนาจะให้สิ่งของเหล่านั้นแก่บุคคลใดก็พึงให้แก่บุคคลนั้นอันนี้ก็คนเอาไปไม่ได้เสนาสนะที่อยู่ในที่อยู่ในวัดของพิจุนี้ ควรจะถวายแบบทิศถูกรูปใดไปหรือถวายตรงไปก็ได้บรรดาสมบุญจิตสามอย่างสมบุิที่เธอได้ในเวลาที่เป็นทิศถุกย่อมบรรลุับไปทั้งหมดจะสมมุติเป็นพัตตุเทศหรือว่าเป็นผู้แจกเสดาสดาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอันละการถือเสดาสดาในวันเข้าบรรษาแรกย่อมบรรลุับไปถ้าเพศกลับในเมื่อเธอถือเสดาสดาในวันเข้าบรรษาหลังแล้ว และพิกษุสงปรารถนาจะให้ลาภที่เกิดขึ้นแก่เธอควรอับละโลกให้ถ้าเพศกลับเมื่อกำลังอยู่ปริวาาเพื่ออาบัตที่ปิดไว้ทั่วไปกับดาวพิกษุณีทั้งหลายสงพึงให้ปักขามานัททีเดียวก็คือไม่ต้องอยู่ปริวาร่าต่อไปแล้วนะถ้าเป็นอาบัตตงานที่เศษที่ทั่วไปแต่พิกษุณีนะก็ให้อยู่ปักขบมานัทเลยไม่ต้องอยู่ปริวาร่าเพระว่าพิกษุณีนะั้นไม่มีการอยู่ปริวาา ตองอบัตแล้วปกปิดไว้หรือไม่ได้ปกปิดไว้ก็ตามอ น, นี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตพิเศษให้เพราะว่าอยู่ไปว่าแล้วยุ่งยากสาหรับพิจูดีบากอันตรายด้วยก็ให้อยู่ปักขบานัดก็คืออยู่มานัสิบห้าวันธรรมดาพิจูดนี่อยู่มานัดแค่หกราตรีก็พ้นแล้วนะแต่ของพิกจูีนี้ให้อยู่ปักถึงเลยอยู่มานัดปักหึ่งสิบห้าวันเพราะว่าไม่ดีการอยู่ไปวา่าข้าเจศาปรับแก่พิจุผู้กําลังประพฤตมานัด ควรให้ปักขามานัทซ้ำอีกถ้าเพศกลับเมื่อประพฤติมารัทแล้วพวกพิกจตีควรทําอภัยให้ก็คือตอนที่พระวิตรุอยู่มารัทแล้วก็เพศกลับไปเป็นพิกษุตีก็ต้องไปให้ปักขามานัทของพิกจตีอยู่ซ้ําแต่ถ้าเกิดอยู่มารัทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพศกลับไปเป็นพิกษุตีอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่ปักขามานัทําอัภายกรรมได้เลย ถ้าเมื่ออากุสนิบาสหมดสิ้นแล้วเพศกลับมาอีกก็คือจากภิกษุณีก็กลับมาเป็นภิกษุเหมือนเดิมในการแห่งปักขาบานัทพึงให้บารัทหราตรีเท่านั้นให้ใบเพราะว่าปักขาบานัทนั้นสําหรับภิกษุณีแต่ว่าของภิกษุนี้ต้องเป็นบานัทหงรางรีถ้าประพฤติปักขาบานัทเสร็จแล้วเพศจึงกลับพวกภิกษุพึงทําอัิธานกรรมฉลิแลก็คือไม่ต้องให้บานัทหงรางรีและ เพราะว่าเขาอยู่บารณัดเรียบร้อยแล้วนะทิกษุนีที่อยู่ปักขบมานะัดแต่เพศกลับมาเป็นทิกษุไม่ต้องให้บาณั้นหกราตรีใหม่เพราะว่าอยู่ปักขำมรณัดเรียบร้อยแล้วในเรื่องเพศกลับของนางทิกษุนีต่อจากนี้ไปพึงซาไม่ได้ฉัยทั้งปวงตามในที่กล่าวแล้วในเรื่องนี้นันแหลส่วนเนื้อความที่แปล ก, การมีดังต่อไปนี้แม้ถ้าในเวลาเป็นทิกษุนีมีสังเริศต่างอาบัต ที่ต้องแล้วปิดไว้ก็คือชักสื่อให้เป็นโภูมียาการสัญจริตตัดตบัตรํา ง, ง, งานพิเศษเหมือนกันที่ถูกก็ต้องบัตรํางานเสร็จเหมือนกันชักสื่อให้เป็นภูมียาการต้องแล้วก็ปิดไว้ด้วยก็ไม่มีการให้ปฏิวา่าของพิศนีไม่มีการให้ปฏิวา่าจะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่เพิงให้มานะักหกราตรีเท่านอนแล้วถ้าในเวลาเป็นพิศนีมีสัญจริตตัดบัตราา ท, ที่ต้องอาบัตรแล้ว ถ้ากลับเพศมาเป็นพิกจุพึงให้มารัดหกราตรีแต่ว่าถ้าเป็นพิกษตีอยู่ก็จะต้องให้ปักขบมารัดสิบห้าวันเพศกลับเมื่อกำลังประพฤติปักขามารัดไม่ต้องการด้วยปักขบมารัดนั้นพึงให้มารัสหกราตรีเหมือนกนอันก็คือตอนที่เป็นพิจตีกำลังอยู่มารัดของมารัดปักขบมารัดสิบห้าวันถ้าเพศกลับมาเป็นพิจุให้ขอบาัดใหม่ หกราตรีอยู่บมานัทแค่หกราตรีถ้าเพศกลับเมื่อประพฤติมานัทเสร็จแล้วไม่ต้องให้บานัทซ้ำอีกพิษสุทธทั้งหลายพึงอัพาลถ้าเมื่อพิษุทั้งหลายยังไม่ให้มานัทเพศกลับคืนใหม่พวกพิษุตีพึงให้ปักข่ามานัทนั่นเองก่อยุ่งเหมือ น, นัดถ้ากําลังประพฤติมานัดหกราตรีเพศกลับคืนใหม่พึงให้ปักข่ามานัทเหมือนกัน แต่เมื่อประพฤติมานับเสร็จแล้วเพศกลับคืนตามเดิมพวกพิกษุดีพึงทําอัิธา น, นกรรมให้อันหนึ่งแม้เมื่อนางพิุดีนั้นคงตั้งอยู่ในความเป็นพิสดีในเมื่อเพศกลับคืนตามเดิมแล้วอับัตเหล่านายที่ระนับไปแล้วในการก่อนอันบัตเหล่านั้นเป็นอันระงับด้วยดีทีเดียวมันเป็นเรื่องของเพศกลับในขณะที่อยู่ปริวาสต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปริวาติกวัดข้อวัด ของการที่อยู่ปริวาสเบื้องหน้าแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะแสดงวัดของปาริวาสิกะภิสุเป็นต้นก็คือข้อวัดของผู้อยู่ปริวาสผู้อยู่มนัตปริวาสิกะพิษุเป็นอุปชายยะไม่พึงให้อุปสมบทแต่จะเก็บวัดแล้วให้อุปสมบทนั้นควรอยู่ถ้าเก็บวัดแล้วก็เป็นปกติตะสามารถที่จะไปบวชให้แกกุลบุตรได้แม้เป็นอาจารย์แล้ว กรวาจาก็ไม่ควรสวดเมื่อพิกษุอื่นไม่มีจะเก็บวัดแล้วสวดก็ควรก็สามารถที่จะไปสวดกรบมวาจาให้เมื่อไม่มีพิกษุรูปอื่นไม่พึงให้นิสแก่พวกพิกสูจน์อคตุกาแม้พิกษุนเหล่าใดได้ถือนิสัยตามปกติเที่ยวพึงบอกพิกษุเหล่านั้นว่าข้าพเจ้ากําลังทําวินัยกรรมอยู่พวกท่านจงถือนิสัยในสํานักพระเถระชื่อโนูน้น อย่าทําวัดแก่ข้าพเจ้าเลยอย่าบอกลาเข้าบ้านกับข้าพเจ้าเลยดั น, นี้ถ้าแม้เมื่อบอกอย่างนั้นแล้วพวกนิสิก็ยังขืนทําอยู่ตั้งแต่การที่ห้าบแล้วไปไม่เป็นอาบัติแก่ปาริวาสิกะทิสุนั้นปาริวาสิกะทิสุไม่เพิงรับสามเณรอื่นพวกสามเณรที่ตนเป็นอุปชารับเอาไว้ควรบอกว่าข้าพเจ้ากําลังทําวินัยกรรมอยู่ พวกเธออย่าทำวัดแก่ข้าพเจ้าเลยอย่าบอกลาเข้าบ้านกับข้าพเจ้าเลยดังนี้ถ้าแม้เมื่อบอกอย่างนั้นแล้วพวกสามเณรยังคืนทําอยู่แม้เมื่อพวกสามเณรยังขืนทําอยู่ตั้งแต่การที่ห้ามไปแล้วก็ไม่เป็นอาบัติแก่ปริวาสิกะพิษุนั้นแต่ว่าถ้าให้ห้ามนะยินดีในข้อวัดที่สามเณรหรือว่าพิกษุอื่นมาทำให้นี่ก็มีอาบัติด้วยไม่พึงยินดีการสมบุญให้สอนนางพิษุดี แม้ถูกสมมติแล้วก็ไม่ทึงให้อว่าเพราะฉะนั้นปริวาสิกะทีุ่นั้นพึงกล่าวแก่ทิกตุส่งว่าท่านผู้เจริญข้ามเจ้ากําลังทําวินักรรมอยู่ท่านทั้งหลายจงรู้ทิกตุผู้สอนนางพิสดีดังนี้หรือพึงมอภาระแก่ทิกตุผู้สามารถก็ได้และพึกบอกนางพิกสณีทั้งหลายที่พากันมาว่าท่านทั้งหลายจงไปสำนักของสมสงจากรู้ทิกตุผู้ให้โอว่าแต่ท่านทั้งหลายดังนี้ หรือพึงบอกว่าข้าพเจ้ากำลังทำวินัยกรรมอยู่ท่านทั้งหลายจงไปหาภิจุชื่อนูตเธอจะให้โอวาสแก่พวกท่านทั้งหลายดังนี้นี่ก็เป็นข้อวัดห้าข้อเลยนะจะมีหลายข้อรวมทั้งหมดต้งเจ็ดแปดสิบข้อซึ่งวันนี้ว่าสมควรแต่เวลาก็เอาไว้ต่อในวันพุกนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาใกล้ในการที่จะประพติทธรรม อบรมใจศีขาตั้งศีลสมาธิปัญญาจะได้พลดจับวัตฐทุกข์โดยเร็วพลันไม่ต้องอยู่ในวัตฐทุกข์นานสาธุสาธุสาธุ